ต่นประโยคาวาจา์ทั้งหลายสําหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อตอนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิธาคามีความจริงเยะว่าสรุปงรรมโสดาบันในสกิธาคามีก็ได้เพราะเมื่อถ้าพูดกัตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบา ร, รมีเป็นอุคติตัอยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยืนยะเยินเยืะอนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจเป็นวิปจิตตนอยู่อย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่านยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสำหรับท่านที่เป็นประทะประมะจะรําขานมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในใบรรยายภูมมีคนนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสีพวกที่ท่านแบ่งนั่นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยํานาจสัพพัญญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตันยูมีบา ร, รมีมากคือปัญญาดีพูดจะเพียงหัวข้อก็เข้าใจวิปติจันยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ตายสนาคมสำหรับปร ะ, ะประมน่โพตากระทรหูกระทะสอนยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปเขาขอเตือนธรรมสังนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี่มีความสำคัญนั่งก็คือการที่แกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจกต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานก็เคยพูดมาแล้วก็คือชิน ชินต่อรมที่เราต้องการเจะละชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจมันจับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันทังหมดอนาปาชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานท่านจะปฏิบัติกรมฐานหมดใดก็ตาม ถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินนานาปานุสติกรรมฐานผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงฌานไม่ได้ฌานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเขาออกเป็นปกติ ถ้าภาวนาด้วยกองไหนล่ะเราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอาณาปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรรมฐานก็นดีเป็นการทรงอารมณ์ใจให้มีกาลังที่เรียกว่าใช้ คือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดีเมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาว บ, บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่อารมใจของเราโดยเฉพาะ นิสสัมมะ <c oughs> นิสส ม, มกระนังเสยโยพระพุทธเจ้าสุนดัดวา่าจงคขโครวญเสก่อนแล้วจึงทาและจึงพูดจะทำก็ดีจะพูดก็ดีคขโครวญเสก่อนว่าคนหรือไม่คนอันนี้ในสำนักของเรายัางมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรธนี่ยังมี เขาได้โปรดยับยังช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะคำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอ้ปากชั่วทำชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอย่ในความสงบสงัด วันนี้ก็มาพูดกันทั้งสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามีถ้าตัดทัเข้าถึงโมหะและสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสนาสิทาคานี้ไม่มีอะไรยาก สำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยากไม่ต้องใช้การเวลาเลยเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาสินสองร้อยี่สิเจ็ดสขาบทครบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราขอเพระโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะเราระเบียบปีนัน นั่นการที่ให้ฟังในใครฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอรียเจ้าแต่ถ้าว่าพอปเปิดเสียงธรรมะก็ดีปเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็าใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของพระศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกัน ฟังแล้วก็คิดโมหะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาเฉลลาดเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินแล้วเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว้ อันนี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้วอารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหาัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนก็ทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหน นี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละมันโง่มันจิงหลงถ้าไม่โง่ไ ม, ม่หลงโมหะไม่ต้องทิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอรียเจ้าสำหรับพระสกิธาคา ม, มีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักใ น, นระวังเพศ สองบรรเทาความโลภในรักทรัพย์สิ น, <c oughs> สสนเศรษฐามบรรเทาความโกรธความพยายบามัตรสี่บรรเทาความหลงที่สําหรับนักปราชญ์เขาเ ห, หาที่อาจจะหาว่าไอ้ผมเนี่ยมันก็ยิ่งโง่ไดยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่าน เราก็มานั่งคิดทำให้โรมันชินสิจับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสิตกนนุสติกรรมฐานให้ใจมันสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถ ภ, ภาวนา ตอนนี้เราเอามาสบายกันในน้านวิปัสนาภาวนาด้วยเพราะว่าสบายในขั้นสมถภาวนามาสบายเดี๋ยวเดีๆประเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสบายกันในขั้นวิปัสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบรกนิดหนึ่งว่าพระสุนทากับสิกขาคานี่พระพุทธเจ้าทำไว่้ยังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้าง ท่านบอกว่าพระโสดาเกศธาคามีเป็นผู้ทรงอธิศินคือมีสินมั่นคงมีสมาธิพอสมควรไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเอาเขาโทษมีปัญญาเล็กน้อยจำให้ดีนะมีความมั่นคงในสิน มีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มากถ้าผมจะพูดเสริมนิดหนึ่งถ้าอย่าหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าทานักบทที่เป็นสมณะจริงๆพระโซนดากับสีทากอนาคาอารมณ์สมัย ก, กาลนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่น ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบทเรียกว่าเป็นบาสุกบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้วถ้าเรามีศีลเป็นศีลลานุสติกรรมทานจนทั่งไปอารมณ์ฌานเมฆถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไร เอตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมาอย่างไงมันมาไม่ได้เพราะใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณ า, านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้อย่างไรมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึง่ง โมหะตายความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องแพศชาจะของรักของชอบใจ คิดไป ม, มองหรืเปล่าสังเกตโดยดีนะครับแต่คนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทําแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะช่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกำลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืม เขไม่ลืมเขาว่าหันไปคว้าความดีเพื่อรูปคนดีเสียงคนดีกลิ่นคนดีรดนวดคนดีสัมผัสกนดีท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุก ทุกที่มันจะพึงได้มา <c oughs> ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกลิงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกลยงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมามาแต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกลิงว่าคนรักจะนอกใจเกลิงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้น เ, เหน็ดเหนื่อยมากขึ้น มันก็ทุกข์ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเรื่องความสบายมันเกิดจะกมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสาหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีขามีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาบ้านเขาทุกข์ให้เห็นทำไมเราจะไม่คิดไอตัวไม่คิดจะมันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราไดสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดตัดทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระวังเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายเลไรใหมากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าชันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่ก็ตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกระทำแปลกระการนี่ควรจะบรรเทาเขตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแ ต, แต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากที่มันเบาก็ตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภจะเกียต่ดกายกจนเกือบตายตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพมาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ารวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พัดพลาจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือคือว่าใจจงยาติดมันคิดถพงว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซ้อยเองก็ดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดว่าะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวินัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งเพราะมนใช้ไม่ได้ไม่โง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้เรากับมันจะต้องจากกัน มันจะไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผลิตของโลกเราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงได้ความโกรธความโกรธพอกรโผ่ยเยินเยอะมันในเรื่องเมตตาเพราะว่าแล้วก็จะกระสนสี ความจริงแล้วก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งนะ่ยตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระจุลวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อทันใดเวลานี้ท่านหลายเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็เกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ข้าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองเขาตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไม่ได้แต่ว่าท่านนันหลที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กระโปรงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน ถ้าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้ว่าให้จำไ ม, ม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ต า, ตามเราก็ตายฉะนั้ น, นจไม่ที่ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพยรัสาสินไม่น่าตำหนิทำไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสณิฐนาโกศลเมื่อศึกมาวิชิตติพระนครพระเจ้าประเสณิฐนาโกศลก็ไปรบข้าศึาก เมื่อรบชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศของพระเจ้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่ น, นผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเองนะเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเดีเกิดไม่คนกระทือบเล่น ถ้าตั้งแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอันวาน่านี่เราพูดน้วใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมานั่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราจะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้กลางกลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรู ข, ของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเองมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเล่าร้อนเราไม่โกรธซะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้ายคนนั้นย่อมถึงความพินาศทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอัคตันโยไม่รู้ค น, คนแล้วก็เร็วและเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเคือเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบน้อยความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ ม่อความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปฏิวัยกระกกลงอาเวจีไปเป็นไงว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมาทำไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้ก็โกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเทา่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น ว่าถ้าโกรธมากเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดเพราะน่าความโกรธมันเผาผลันสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศแนตะ่อย่าไปโกรธเขานะ เยอะยว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเราเมาื่อในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มยอเอเข้าไปถไอยเจ้านี่เมียาการสามทิบสองมีจิตใจเมืน่อคนธรรมดาแต่งโง่บัดซบแบบนี้จะครบะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต่างการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันก็พูดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนะับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทำไมมันดีแล้วมันจะชมเราทำไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลืงเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืงถ้าเหลืองมาลายชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเคยตรัส ว่าสมัยเม่พระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชาธินดีเคยชมว่าเธอทำดีพอชมแล้วเธอว่าชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทำดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงจัดว่าพระองค์จำไว้เสมอว่าคำว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่โพธิ์เจ้า ก, กล่าวว่าอัตนาโจทยาตาณนะังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวกดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทาได้อย่างนี้โมหะคนดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะอิเลทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานะังมีกิเดชไม่เหลือเวลาเล่นนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคาว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือแมว่าวัตถุแต่พอความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย เพื่อวังขั้นพระสิีธาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเป็นอาไรสำหรับโลภะความโลภนี่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมานโลภโมโตสันหากินเลยตัวเป็นทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสรีธาคามีไม่แต่เกียแติกายไม่ยเยอะแยะซ่าเลยหลาบเสกการละเขาบคุคคลใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว สบายไม่มีจิตอยากจะสมาสมมันไม่มีสบายๆโพรง่งท่านที่สิาคา ม, มีได้พูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอรหันนะคล้ายกันแต่ว่ายังมีเหลือติตนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธพระสิกธาคา ม, มียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเถอะมันผิดแล้วคนแล้วกันไป เว้นไว้แต่ทำงานผิดระเบียบวินัยนั้นผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสำหรับความหลงทะเยอทยานไม่มีในรมใจพระสี่ทางคามีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบุตรชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเครมก็ยัเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอรบธบนดาท่านเ่าไล่มองดูเวลาให้มันหมดสลายนี่ขรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกาลังใจพบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนทั่งถึงปัจจุบันที่ผมกาลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าคล้ายโนเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ ความเป็นพระสิกขาคา ม, มีจะมีข้าท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกาหนดรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัทฉิยาสายัยกว่าจะท่านหลายเห็นว่าสมควรคนจะเลิกสอดนดี